สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทการคนชอบเล่าวันนี้มีประสบการณ์ที่รุ่นน้องคนหนึ่งของผมชื่อน้องเบนซ์มาแชร์ให้ฟังกันนะครับน้องเบนซ์บอกว่าหนูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สยองขวัญของหนูมาเล่าให้ฟังกันเรื่องหนึ่งผมเลยถามว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะน้องเบนซ์เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและคนที่เจอก็ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะ แม่หนูก็เจอด้วยและขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเหตุการณ์ที่เจอเห็นกันทั้งแม่และหนูเลยไม่ใช่เรื่องของคำว่าตาฝาดหรือคิดไปเองแน่นอนและน้องเบนก็เล่าให้ผมฟังว่าก็คือว่าเมื่อประมาณปี2540แม่ของหนูป่วยหนักจนต้องเข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาล น, นี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่ใจกลางกรุงเทพถ้าเอ่ยชื่อ ก็คิดว่าหลายคนจะต้องคุ้นหูกันเลยทีเดียวตามปกติแล้วหนูว่าเป็นคนขวัญอ่อนมากขี้กลัวเจออะไรมุมมืดใครเล่าเรื่องผีก็กลัวหมดแล้วกลัวจนเรียกว่าติดอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ไม่เหมือนกับแม่ของหนูเพราะแม่เป็นคนไม่เชื่อในเรื่องทำนองนี้นอกจากไม่เชื่อแล้วแม่ก็ไม่เคยกลัวผีอีกด้วยนะแต่เรื่องที่เกิดกับแม่และหนูในวันนั้นน่ะ มันทําให้แม่เปลี่ยนความคิดเลยกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ไปเชื่อตามหนูว่าผีะมีจริงก็คือตอนที่แก ป, ป่วยและไปนอนที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนั่นแหละเรื่องมันเกิดในคืนวันที่5ของการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นคืนนั้นทั้งแม่และหนูต่างก็หลับกันตั้งแต่ยังไม่เที่ยงคืนเพราะว่าพุวกนี้ก็จะถึงกําหนดที่หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแม่เองก็มีอาการดีขึ้นมากมีเรี่ยวแรงที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นเวลาจะต้องเข้าห้องน้ําก็สามารถเดินไปเข้าเองได้ไม่ต้องให้หนูช่วยประคองเหมือนตอนแรกๆอีกทั้งไม่ต้องให้น้ําเกลือแล้ด้วยแม่เลยเดินไปไหนเมืไหนได้สะดวกขึ้นคืนนั้นหนูหลับไปได้สักพักหนึ่งก็มารู้สึกตัวตอนได้ยินเสียงแม่ลุกจากเตียงไปห้องน้ําหนูก็งัวงเงียถามออกไปว่าแม่เดินไปเข้าห้องน้ําเองได้หรือเปล่าเสียงแกก็ตอบว่าได้ได้ได้ได หลับต่อให้สบายเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหนูก็เลยหลับตานอนต่อแต่มันก็ไม่ได้หลับสนิทหรอกนะเพราะว่ายังเป็นห่วงแม่อยู่นอนหลับกันเกื่มๆเฉือมๆิ่มๆเหมือนกับรอแม่ไปในตัวประมาณ10นาทีก็ยังไม่หลับก็ยังไม่ได้ยินเสียงแม่ออกมาจากห้องน้ำเอ๊ะก็เลยคิดว่าแล้วเผลอหลับไปหรือเปล่าเนี่ยคือแม่ออกมาแล้วหนูก็เลยหันตัวเอง มาทางเตียงของคนไข้แล้วก็ปือตามองว่าแม่กลับมานมนบนเตียงเรียบร้อยหรือยังแล้วหนูก็เห็นว่าแม่นอนอยู่บนเตียงแล้วและนอนหันหลังให้หนูนะหนูก็เลยคิดว่าเอเค okay, แม่มาแล้วงั้นละนอนต่อได้สบายและวพอหนูกำลังคิดว่าจะนอนต่อ น, นั่นแหละหนูก็ได้ยินเสียงในห้องน้ําอีกเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ําก็แก๊กก็แ ก, ก๊กเฮ้ยโซนประสาทสัมผัสของหนูมันตื่นขึ้นมาเลยเอ้าว แม่ออกมาจากห้องน้ำแล้วนี่เฮ้ยแล้วเสียงอะไรอยู่ในห้องน้ําอ่ะหนูก็คิดเลยว่าเฮ้ยแม่ก็นอนอยู่ตรงนี้และใครอยู่ในห้องน้ํำน่ะเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ําเลยความรู้สึกมันจับได้อย่างนั้นเลยหนูก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็กค่อยย่องไปหาแม่หนูไปสะกิดที่หลังแม่ก็กะว่าจะปลุกแม่แหละมาถามว่าแม่ได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยพอหนูไปสะกิดเท่านั้นแหละพอแม่หันมา หนูตกใจเลยหนูถอยหลังมาล้มลงตรงเบาะนั่งที่หนูนอนข้างๆเตียงแม่เลยเพราะสิ่งที่หันมามันไม่ใช่แม่มันเป็นหน้าตาของยายแก่คนหนึ่งอายุประมาณ60หรือ70ดปีเลยแหละกำลังนอนจ้องมาที่หนูตาไม่กระพริบเลยตาแกแดงก่ำเลยลักษณะของแกเป็นคนแก่ผิวขาวซีดใบหน้าหิวย่นผมงอกโพลยาวกระเซาะกระเซิงเบ้าตาลึก เป็นวงค้ำตัดกับตาสีแดงของแกที่ดูน่ากลัวมากหูตกใจจนสะดุ้งสุดตัวอยากจะร้องตะโกนออกมาให้ลั่นเลยแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าทาั้งล่างหนนะูมันเหมือนกับถูกอะไรบางอย่างตึงไวไม่ให้กระดูกกระดิกส่วนใดของร่างกายได้เลยได้แต่นั่งกึ่งนอนตรงโซฟาที่หนูนอนเฝ้าแม่นี่ยแหละแต่สายตาหนูก็ยังต้องจ้องเขาอยู่ย่าแก่คนนั้นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็นั่งห้อยขาหันหน้ามาทางหนู จ้องหนูด้วยสายตาที่ดุดันมากจ้องแบบจ้องเป็นจ้องตายเลยแหละหนูก็ได้ลืมตาดูปากกรสันเงึกงเงึง๊งเฟันมันกระทบกันเองกักกักมันเหมือนอาการตอนที่เราหน า, หนาวๆว่าตอนหน้าหนาวอ่ะความรู้สึกหนูก็คือหัวใจวิววิวได้แต่คิดอยู่ในใจว่าผู้หญิงแก่คนเนี้ยต้องเป็นผีแน่ๆเลยต้องเป็นผีที่เคยนอนตายอยู่บนเตียงนี้แน่ๆเลยเพราะหนูก็เคยได้ยินเรื่องวิญญาณหวงเตียงหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ จากรายการผีมาหลายเรื่องแล้วแหละแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอกับตัวเองเข้าเต็มๆอย่างนี้เลยผู้หญิงแก่ก็ยังคงนั่งจ้องหน้าหนูห้อยขาแกว่งไปแกว่งมาและแกก็ค่อยๆ ย, ย, ยิ้มยิ้มปากแกกค่อยๆกว้างกว้างจนถึงใบหูเลยโอ้โหมันยิ่งกว่านังผีญี่ปุ่นที่หนูเคยเจออีกสมองของหนูมันคิดอย่างเดียวเลยว่าคนที่อยู่ในห้องน้ํำเป็นแม่แน่ๆเป็นแม่แน่ๆหนูพยายามจะตะโกนหาแม่ ทำไม่ได้หนูก็กำมือกันแน่นพยายามหายใจเข้าลึกๆพยายามหลับตาจนสุดท้ายหนูก็หลับตาได้หนูได้แต่ตะโกนในใจอย่างเดียวว่าแม่แม่แม่ออกมาแม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยระหว่างนั้นหนูก็รู้สึกคล้ายกับว่ากําลังจะเป็นลมหน้ามืดมือเท้าเย็นเฉียบเหงื่อก็ไหลโทมล่างเลยเนื้อตัวก็สัน่นสติก็กําลังจะดับวูบคงเป็นเพราะอาการช็อกแน่ๆเลยและก่อนที่สติหนูกําลังจะดับวูบเลยแหละ ดก็ได้ยินเสียงแม่คุณหนูตวัดออกมาดังลั่นห้องเลยไปไปเฮพน้นมึงไปไกลไกเลยไปเฮพน้นหนูก็ลืมตามมาดูเห็นผู้หญิงแก่ที่นั่งอยู่บนเตียงหันหน้าไปมองแม่ควับแม่กําลังยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ําแล้วร่างอันน่าเกลียดนั้นก็หายวับไปจากเตียงทันทีเลยแล้วแม่กระตงก็มาหาหนูมาปลอบมากอดเป็นการใหญ่เลยตอนนั้นหนูกลัวจนร้องไห้โฮกมาเลยเหมือนจะเป็นคนบ้าเลย พยาบาลก็เข้ามาดูได้ยินเสียงเอะบวยวายแล้วพอทุกอย่างมันคลี่คลายไปหนูอารมณ์เย็นลงแล้วรู้สึกหายกลัวแล้วแม่ก็เล่าให้หนูฟังว่าความจริงแล้วอ่ะแม่แกถูกกลวรจากวิญญาณนีนน่มาสองครั้งแล้วแหละแต่แม่ไม่กลัวเพราะคิดว่าผีก็น่าจะอยู่ส่วนผีไม่ควรมายุ่งกับคนครั้งแรกอ่ะแม่ถูกผียายแกมาเขย่าเตียงในคืนวันที่สองแัแหละมาบอกว่าออกไปออกไปจากเตียงกู ออกไปจากเตียงกูแต่ตอนนั้นแม่ก็ป่วยอะ่ะแม่ก็ไม่ค่อยจะมีแรงด้วยแม่ก็ได้แต่พูดอย่างเดียวเลย ว, ว่าเออขอนอนหน่อยรักษาตัวก่อนเดี๋ยวหายแล้วจะไปทําบุญให้นะแล้วพอคืนวันที่สามอีกวันหนึ่งก็มาอีกทีนี้มากระชาแขนมลใ่ให้แม่ออกจากเตียงอีกแต่แม่ก็ไม่กลัวเหมือนเดิมแหะแม่ก็ท่องสวนมนอีกแล้วก็บอกว่าจะอุทิศสวว่สวนกุศลไปให้แต่วันนี้แหละแม่โมโหมากที่มาหลอกให้ลูกแม่กลัวเนี่ย แม่เลยตะโกนด่าเนี่ยแม่โกรธสุดขีดเลยนะแต่ก็แปลกนะแต่พอผียายแก่ถูกแม่หนูตวาดเข้าใส่เทนั้นแหละก็อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะน่าเหลือเชื่อเลยพูดไปพูดมาหนูก็บอกว่าสงสัยผีจะกลัวแม่แม่ก็ขำใหญ่เลยและทีนี้เราสงคนแม่ลูกก็ไม่ได้หลับกันอีกเลยแม่ก็บอกให้พยาบาลที่เข้ามาดูให้อยู่เป็นเพื่อนด้วยกันเพราะอีก่ไปนานก็จะเช้าแล้วพอวันรุ่งขึ้นแม่กับหนูก็พากันกลับบ้าน และพอแม่หายดีสนิทแล้วก็เลยพากันไปทำบุญ อ, อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของหญิงชราที่น่ากลัวที่เตียงโรงพยาบาล น, นั่นแหละตามที่แม่เคยรับปากเขาไว้อย่างน้อยๆก็เพื่อความสบายใจของเราทั้งคู่เพราะการทำบุญนั้นน่ะจะไปสร้างผลลัพให้ใครแน่ๆนี่แหละประสบการณ์ของเบนซ์กับแม่ก็มีอยู่แค่นี้แหละและนนี่ก็คือประสบการณ์ของน้องเบนซ์กับแม่ของเขา ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับละแวก บ, บ้านที่ผมอยู่นะครับเล่าให้ฟังตามธรรมดาแล้โรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่มีเกิดมีแก่มีเจ็ บ, ม, จบมีตายครบวงจรเลยครับผมก็เชื่อว่าทุกเตียงอะ่ะถ้าโรงพยาบาลเก่าๆมันต้องเคยมีประวัติทั้งนั้นแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจูนกับใครได้หรือเปล่า แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงวิญญาณที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นเขายังจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ใช่เจ้าของหรือเปล่าบางครั้งการไหว้เจ้าที่เจ้าทางการขออนุ ญ, ญาตก็จําเป็นเหมือนกันนะครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายเวลาเราจะต้องไปนอนต่างที่ต่างถิ่นหรือในสถานที่ที่คิดว่ามันน่าจะมีก็อาจจะพอเนงๆกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงจากการได้รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ